เมื่อจิตได้สร้างตัวเองจนปรากฏเป็นจิตที่มีคุณค่าขึ้นมาแล้วความสำคัญต่าง àng, ๆภายในจิตที่เที่ยวเกาะเที่ยวยุดสิ่งนั้นบอกเป็นคุณค่าสิ่งนี้บอกเป็นของดีมันก็ค่อยๆจางลงไป ตามคุณภาพของจิตที่ค่อยขยบตัวด้วยความมีคุณค่าขึ้นไปโดยลําดับเช่นเดียวกันหากจิตไม่รับการอบรมอะไรเลยไม่มีอะไรปรากฏภายในตัวเองเลยจิตก็ต้องคว้านุ่นคว้านี้เป็นธรรมดาไม่ว่าจะเป็นใครความรู้สูงต่ำมากน้อยนี่เป็นอะไรก็ตามจะ ต, ต้องเป็นในลักษณะเดียวกันเทราะสิ่งที่พาให้เป็นอยู่กับใจ สำคัญนั้มันจะเป็นจะดีอ น, นอันนี้จะดีอย่างนี้ล็อกอยู่ทั้งวันทั้งคืนเพราะไม่มีจิตไม่มีความเป็นตัวของตัวเมื่อได้รับ ก, การอบรมให้รู้ว่าสิ่งใดเป็นสาระอันใดไม่เป็นสาระอันใดเป็นสาระมากน้อยอันใดไม่มีสาระเลย อบรมไปอย่างนี้โดยลำดับจิตก็สร้างสาระสำคัญขึ้นมาภายในตัวและย่อมทราบสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวซึ่งแต่ก่อนไม่เคยทราบมาเลยได้โดยลำดับท่านจึงสอนให้อบรมจิตใจคือชำระ สิ่งที่มันมีคุณค่าและทำจิตให้อับเช้าทำจิตให้ไม่มีคุณค่าหาราคาไม่ได้นั้นออกไปเพื่อจิตจะได้มีคุณค่าขึ้นภายในตัวโดยลำดั บ, ดบเมื่อสิ่งที่มันมีคุณค่าเหล่านั้นค่อยหายค่อยจางไปนักปราชญ์ทั้งหลายท่านถือจิตเป็นสำคัญมากแลรทำก็ประกาศออกมา ว่ามาโนปุพังขมาธรร ม, มามาโนเศรษฐามาโนมายรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานสาเร็จแล้วโดยใจน่ะคือขึ้นใจเป็นสัาผัสจางพาสพระอสกิแสดงธรรมแก่พระสารนบุตรก็เช่นเดียวกันทมทั้งหลายเกิดจากเหตุเมื่อจะดับก็เพราะดับเหตุก่อนผลก็ดับไปเองพูดถึงมหาเหตุ มหาเรื่องหมายถึงใจดวงนี้ผู้ที่มีสติปัญญาเชื่อเดียวฉลาดว่องไวอย่างพระสารีบุตรก็ทราบมหาเหตุได้ทันทีจับความจริงขึ้นได้ในขณะนั้นที่เรียกว่าสำเร็จพระโสดาบันคือจับหลักความจริงได้อย่างมั่นใจคือยึดหลักได้หายสงสัยในการที่จะต้องสอบเสแสวงหา อะไรต่ออะไรอีกนอกจากจะเจาะแสวงเพื่อทำขั้นสูงเพื่อหลักอันแน่นหนามันคงยิ่งกว่าที่ได้แล้วนี้ขึ้นไปเท่านั้นจึงต้องเรียนถามพระอาชชิมาท่านอยู่ในสำนักใดใครเป็นครูผู้ในการของท่านเมื่อได้ทราบแล้วก็ทัทวนบริษัทบริวาร250คนไปศึกษากับ อบรมกับพระพุทธเจา้านี่คือได้หลักใจอันแน่นอนไปแล้วในภูมิเบื้องต้นคือโสดาบันนี้หมายถึงเป็นผู้ได้หลักใจอจฉรศัทธาจะยึดหลักที่เป็นความจริงได้ไม่สงสัยเป็นอจฉรศัทธาคือความเชื่อมั่นเมื่อไปถึงพระพุทธเจา้า แล้วบรรดาบริษัทบริบาลที่ไปด้วยกัน250คนพระต่างก็ได้สําเร็จเหตผลนิพพานไปด้วยกันทั้งหมดยังเหนือภาษาลิบุตรในพระโมฆลลาปรากฏว่าเจ็ดวันพระโมฆลลาได้สําเร็จภาษาลิบุตรสิบห้าวันเพราะเป็นผู้ให้ครวนเหตุผลภูมิกว้างให้สาเร็จนี่คือสําเร็จความมีคุณค่ามหาศาลขึ้นภายในจิตใจนั่นเอง เาจะสำเร็จเรื่องอะไรหรือตัดขาดจากสิ่งจอมปลอมทั้งหลายที่มีเคยมีอยู่ภายใน จ, ใจิตใจให้สลายตัวออกไปโดยสิ้นเชิงเหลือแต่คุณค่าหมหาศาลคือใจที่บริสุทธิ์เตรียมเท่านั้น ใจนี้ถ้าไม่ชาระต้นเหตุไม่ชาระเรื่องแห่งความก่อควรเรื่องแห่งความท่องเพี่ยวออกจากตนเสียเมอะไรใจนี้จะเป็นกรงจกักหมุนติ้วอยู่กับพบกับชาติกับความเกิดจากเกิดตายพบน้อยพบใหญ่หมุนติ้วอยู่กับกิเลสตัณหาธรรมะพูดสรุปความแล้วลงแล้วเรียกว่าหมุนติ้วอยู่กับทุกข์ตลอดกายหาเวลาที่จะ หลุดพ้นไปไม่ได้หากไม่ํำระสาเหตุเหล่านี้เสียการํำระสาเหตุที่จะตาให้เงินไหวตาเกิดหรือพาเป็นตัวคงจักรจึง ต, ต้องทุ่มเทกำลังความสามารถสติปัญญาลงทุกด้านให้เหมาะสมกับการแก้เคล็กความยากความง่ายเรา ความยากความลําบากเราไม่ถือมาเป็นอุปสรรคยิ่งกว่าเหตผลที่จะแก้ไขสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายอยู่ภายในใจนี้ออกได้ด้วยวิธีใดจะต้องพยายามให้เป็นไปตามวิธีนั้นเท่านั้นอย่างอื่นไม่มีทางที่จะแก้กิเลสนี้นได้เมื่อเป็นเช่นนั้นอย่างอื่นก็ไม่มีนอกจากเราจะดําเนินตามวิธีที่จะแก้กิเลนได้นี้เท่านั้นนะ เมื่อเหตุผลลงในจุดนี้แล้วจะหลีกเลี่ยงไปทางอื่นไม่ได้ก็ต้องก้าวเดินไปตามนั้นดังนั้นบรรดาท่านผู้ปฏิบัติมาก่อนมีระสาบวกทั้งหลายซึ่งได้รับพระโอวาจากพระพุทธเจ้าแล้วด้วยดีมาดาเนินผู้ยากท่านก็ยินดีในการปรกพติปฏิบัติของท่านผู้ง่ายเท่ากับยินดีในการดาเนินไปตามผลนิสัยของท่านเพราะผู้ยากผู้ ง่ายมีดังคิดปาพิญญา ท, ทุกขาปฏิปทาทันทาพิพญญาอย่างนี้เป็นต้นคือทั้งปฏิบัติลําบากทั้งรู้ได้ช้านี่คือว่าผู้ดําเนินยากลําบากไม่ได้มีมาเฉพาะครั้งเหล่านี้เท่านั้นผู้ปฏิบัติยากลําบากผู้ง่ายมีมาตั้งแต่ครั้งกุตกาลอยู่แล้วท่านยกบุคคลไว้สี่ ประเภทเหมือนกันสุขาปฏิปทาคิปาพิญญาทั้งปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็วได้เร็วนี่จําพวกหนึ่งสุขาปฏิปทาทันทาพิญญาปฏิบัติสะดวกแต่รู้ได้ช้านี่ประเภทหนึ่งทุขาปฏิปทามีสองประเภทที่ไหนลืมละคือทั้งปฏิบัติลําบาก ทั้งรู้ได้ช้านี่ปร ะ, ประเภทหนึ่งปฏิบัติลําบากแต่รู้ได้เร็วนี่ประเภทหนึ่งหรือจะมีสองประเภทเรื่อลืนเมืม่อเราสรุปความลงแล้วก็มีทั้งการปฏิบัติลําบากทั้งปฏิบัติสะดวกเพรากิเลสมีประเภทเดียวกันกิเลสประเภทที่เหนียวแน่นแก่นกิเลสทั้งหลายมันก็มีที่จะต้องได้ทําด้วยความยากความลําบากที่เราจะ กดไปสายไม้ทั้งต้นแบบรูปคำคำกิเลสเหล่านั้นก็ไม่มีทางที่จะหลอกออกแม้แต่ผิวหนัง<ม>ก็ต้องขุดค้นกันลงอย่างเต็มที่ฟาดฟันกันลงจนจะไม่มีอะไรเหลือเลยถึงขนาดนั้นกิเลสถึงจะหลุดรอยออกไปได้ถ้าถึงขั้นที่ละเอียดเราจะไปทำอย่างนั้นก็ไม่เหมาะสมก็ต้องทาตามความละเอียดของกิเลสปัญญาละเอียดกิเลสละเอียด การพิจารณากันก็มีส่วนละเอียดเรียกว่าเบาเหมือนกับสายกบแผ่นกระดาษไม่ใช่สายกบไม้ทางตน้นฟันไม้ทางตน้นถากไม้ทางตน้นกับสากับไสายกบกระดาษ น, นี่มันผิดกันกระดาษมันเป็นรูปสําเร็จมาแล้วเพียงสายกบเข้าไปมันก็น่าดูใช้ได้ ไม้ทั้งต้นเราจะเอากบไปใส่มันดูไม่ได้คนฟันต้องฟันคนถากต้องถากที่ไหนโคดงอฟันลงจนดัดลงมามันกลงหนักมือเหมือนก็จะไม่มีชิ้นที่เป็นสาระเหลืออยู่เลยเมื่อถากได้สัตวดในส่วนแล้วก็สวยมาจะใส่กบก็ปวดหนักการปฏิบัติเมื่อถึงมันอยู่ในขั้นลำบากเราจะไปทำเอาอย่างสะดวกสบาย อาจจะความขีเกียดจขี้ค้านไปช่วยแก้กิเลสมันก็ไม่มีทางนอกจากเป็นการไปช่วยเสริมกิเลสเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเพราะกิเลสชอบความเกลียดข้านความเกลียดข้านเป็นเครื่องสนับสนุนแต่ความขยันเป็นเรื่องของกิเลสกลัวชิงได้กิเลสจะกลัวเราก็ต้องนําเข้าไปสู้ไปทํานี่ถึงจะถูกตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเมื่อความพอใจ มีอยู่แล้วจะยากลําบากเพียงไรก็ไม่เห็นถือว่าเป็นอุปสรรคไม่ถือเป็นภาระเรื่องหนักใจต่างๆนอกจากความบึกบึนเท่านั้นที่จะให้รู้ให้เห็นจะยากลําบากก็จะจะให้รู้ให้เห็นโดยไถ่ยิวความพอใจมีแล้วจะยากมันก็ง่ายคือทํำด้วยความพอใจมันเป็นไปได้ด้วยกันเท่านั้นแต่ถ้าเอาเจ้าความขี้เกียจอ่อนแอนี้เข้าไปเกี่ยวข้องแล้วมันจะทําให้งานมัน เลี้ยวไหลไปหมดไม่เป็นท่าเลยเราจรึงควรระวังเราเท่านั้นที่จะเป็นผู้ได้ชัยชนะหรือเป็นผู้แพ้ในสงครามระหว่างกิเลสกับจิตหรือกิเลสกับธรรมไม่มีผู้อื่นใดที่จะมาหยิบยื่นชัยชนะให้แก่เราโดยที่ไม่ต้องทําความผักเปลียนอะไรให้ลาบากกันดมีเราเท่านั้น ที่จะต่อสู้เพื่อชัชนะสนหับตัวเราอันนี้เป็นอตาหิอตหอตโนนาโถแท้พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ท่านสอนไว้ยังว่าตุมเห่ติตจังอาตปังอาขาตาวตถาคาตานิการปร ะ, ประกอบความเพียรเพื่อแก้กิเลสทั้งหลายเป็นหน้าที่ของท่านทั้งหลายต้องทำเอง พระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นเพียงผู้ชี้บอกแนวทางให้เท่านั้นรือผู้หยิบยื่นเครื่องมือให้เราไปทำงานเองเช่นหยิบยกหยิบยื่นปืนให้ต่อสู้ฆ่าเสร็จปืนก็หมายหมายถึงศรัธาวิริยสติสมาธิปัญญานี่เองจะหมายถึงอะไรเครื่องมือฆ่ากิเลสสาธาบุญเพื่อฆ่ากิเลสก็มีอ น, นี้เราจะนาทาเหล่านี้ไปปฏิบัติ ต่อที่เหลอย่างไรนั้นเป็นอุบายความแยบคายหรือสติกําลังความสามารถของเราที่จะเข้าต่อสู้สงครามด้วยความอาถรรพ์ฐานไทยด้วยความเฉลียวฉลาดมากน้อยเพียงไรเป็นเรื่องของเราตลอดถึงความแพ้ความชนะถ้าเราด้อยสติปัญญาจัตตาความเพียรที่เหลยดก็ทับถมเราเราก็แพ้ถ้าเรามีความ อาหารฉลาดชานไทยข้องแควแก้วกล้าด้วยสติปัญญาแหลมผมก็สามารถจะทำลายกองกิเลสอาสวะทั้งหลายซึ่งเป็นข้าศึกนั่นให้ลาบไปได้ไทยะนะ ก, ก็เป็นของเราเรื่องมีอยู่เท่านี้แต่ละคนละคนเป็นเรื่องที่จะช่วยตัวเองยิ่งวาระสุดท้ายเราจะหวังพึ่งใครไม่ได้ อยากมิดสหายอะไรก็แล้วแต่ในลักสนิกกันเพียงไรก็สักแต่ทำให้เป็นอารมณ์ยุ่งเหืองวุ่นวายก่อกวนทางเดินของเราให้ขัดข้องยุ่งเหยิงไปเท่านั้นไม่ใช่เป็นสิ่งเหล่านี้จะเป็นเครื่องบุกเบิกทางให้เราไปด้วยความสะดวกกายสบายใจที่เรียกว่าสุขโตสิ่งที่จะเป็นสุขโต ต่อเราโดยเฉพาะนั้นก็คือความภาคเพียรของเราที่หวังพึ่งตนเองด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเรามีเท่านี้ที่ผู้ที่จะเอาชนะให้จิตหลุดพ้นไปจากสิ่งจิตขวางทั้งหลายที่ท่านเรียกว่ากิเลสกิเลสต้องใช้สติปัญญาของเราให้เต็มผู ธาตุขันพระพุทธเจ้าท่านทำไมรู้เท่ารู้ถันคำว่าธาตุของพระพุทธเจ้ากับธาตุของพวกเราขันของพระพุทธเจ้ากับขันของพวกเราเป็นขันประเภทเดียวกันเป็นธาตุประเภทเดียวกันความโง่ก็เป็นโง่ประเภทเดียวกันความยึดถือในธาตุในขันก็เพราะอำนาจของกิเลสเช่นเดียวกัน สติปัญญาที่จะนำมาใช้เพื่อแยกแยะธาตุขันธ์เหล่านี้ซึ่งเป็นความผูกพันกับกจิตใจหรือใจไปผูกพันกับสิ่งนี้แล้วเอาความร้อนมาสู่ตวเอ ง, เองก็เหมือนเหมือนกันกับครั้งพุท ธ, ทธการเราจะแก้ด้วยวิธีใดสติปัญญาก็พระพุทธเจ้าท่านแก้ได้ด้วยสติปัญญา เราจะ อ, าอะไรมาแก้ทำไมพระพุทธเจ้าทรงรู้ได้เห็นได้และถอดถอนตนออกมาได้จากสิ่งทั้งหลายที่เป็นภาระอันหนักหน่วงนั้นได้แล้วขันของเราหนักมากยิ่งกว่าพระพทุทธเจ้าเพียงไรก็เท่ากันทำไมเราจะสลัดปัดทิ้งสิ่งเหล่านี้ด้วยสติปัญญาของเราไม่ได้เราเป็นศิทฏาคตที่ทรงสั่งสอนความเฉลียวฉลาดให้แล้วทุกเนื้ทุกงมูมแก่เราขึ้นเป็นพุทธบริษัท ที่จะนำมาํำจัดสิ่งที่เป็นคาวสึกดังที่พระองค์ได้เคยํำจัดมาแล้วทำไมเราจะคำจัดไม่ได้นามของคำว่าพุทธบริษัทจะหมายถึงใครถ้ามหมายถึงเราที่เป็นชาวพุทธและปฏิบัติตามพระองค์อยู่เวลานี้พุทธีกาเข้าสู่สงครามแห่งกองทุกข์ทั้งหลาย ท, ท, ท, าทั้งกองทุกข์ในธาตุในขันทั้งกองทุกข์ของติเลตที่รู้ความรู้เท่าไมยาถึงการนี้มันก็มีอยู่กับเรา ใครจะเป็นผู้รบใครจะเป็นผู้รุกใครจะเป็นฝ่ายแพ้ฝ่ายชนะถ้าไม่ใช่เราคนเดียวนี้ไม่มีใครเป็นความแพ้เป็นของดีเมื่อไหร่แต่เขาเล่นกีฬาแพ้เขายังเสียหน้าเสียตาอับอายขายขายนาีนาคนนึงอะ่ะแต่เราแพ้กับกิีฬานี้เคยแพ้มาตั้งกับต่างกันจนกระทั่งพอรู้ ยังสาภาวะตามหลักคำตังสอนมือเจ้าแล้วมาลบกับกิเลสยังจะแพ้กิเลสตัว่อีกแล้วก็ขายหน้าครูนอกจากขายหน้าตัวเองแล้วก็ขายหน้าครูพระตะถาคตคือผู้เยาวกล้าสามารถผู้อาจหารผู้ชนะในส ง, สงครามอันใหญ่หลวงได้แกส่สงครามแห่งวัฏจักรทรงสลัดปัดทิ้งทําลายกองจากแห่งวัฏจักร จนคิปหายวายพวงไม่มีอะไรเหลือเหลือจะทำธรมธรมชาติที่บริสุทธ์ล้นนวล น, น, นี่คือตถาคตซึ่งเป็นแม่ทัพของพวกเราเราที่เป็นทหารเอกแห่งาศาสดาผู้ทรงนามว่ า, าศาสนาเอกเราจะดําเนินอย่างไรจึงจะชื่อว่าดําเนินตามรอยแห่งครูเพื่อชัยชนะถ้าไม่ดําเนินด้วยความขยันไม่ดําเนินด้วยสติปัญญา ศรัทธาความเพียรของเราเราจะเอาอะไราไปเพื่อควาเพื่อชัยชนะมีสติปัญญานี่เท่านั้นที่จะสามารถอาจเอื้อมนำชัยชนะมาสู่เราได้ส่วนโค้ความโง่เขลาวาปัญญามีมากเพียงไรก็เป็นกลุ่มของกิเลสี่จมารุมจิตลุมใจของเราให้เกิดความเดือดร้อนอยู่ตลอดไปและหาทางออกไม่ได้แพ้ไปตลอดสาย ความแพ้เขาเล่นกีฬาก็เขาก็อับอายไม่ว่าแพ้อะไรที่เนืเราแพ้กิเลสจะมีหน้ามีตามีชื่อมีเสียงมาจากไหนกิเลสเป็นของมีหน้ามีตาด้วยเหรอถึงจะต้องการเป็นบริษัทบริวารของกิเลสเพื่อชัยชนะธรรมคือความดีอันเลิศทั้งหลายซึ่งมีอยู่ภายในจิตของเราดวงนี้เช่นเดียวกับกิเลสเป็นผู้ปกครองจิตนี้อยู่ ตั้งจากกิเลสปกครองเรามาเป็นความสุขความเจริญมากน้อยเพียงไหนผลที่ปรากฏเพราะกิเลสปกครองใจนั้นเป็นอย่างไรบ้างที่แสดงให้เห็นอยู่ชัด ก, ก็มีแต่เรื่องความโลบความโกรธความหลงความรุ่มร้อนภายในจิตใจนี้นเท่านั้นที่เป็นผลแห่งความปกครองของกิเลสแต่เรื่องของธรรมมีมากน้อยที่เข้าพุ้มุมครองจิตใจของเรานี้มีแต่ความสงบเย็นใจไปโดยลาดับ เราพอจะเห็นได้ชัดว่าคุณธรรมคุณค่าห่งธรรมกับเรื่องของกิเลสผิดกันมากน้อยแค่ไหนนี่เป็นการเป็นเวลาที่เหมาะสมอย่างยิงย่งแล้วที่เราจะค่รยๆเลือกเป็นสิ่งใดที่เห็นว่าเป็นภัยให้พิจารณาให้เห็นว่าเป็นภัยอย่างถึงใจสิ่งที่เป็นคุณก็ให้ถึงใจด้วยความเป็นคุณแล้วพยายามบำเพ็ญพยายามต่อสู้ ด้วยสติปัญญาอย่างถึงใจเช่นเดียวกันเมื่อต่างอันต่างถึงใจกิเลสซึ่งอยู่ในใจแล้วจะทนอยู่ไม่ได้สติปัญญาก็ถึงใจความภาคเพลินก็ถึงใจเมื่อถึงใจย่อมถึงกิเลสมีต้นทางที่ให้เกิดที่รับชัยชนะมีอย่างนี้พระพุทธเจ้าและสาวกก็เหมือนกันถัดดูในสกุลใดก็ตามตามประวัติ ทำว่าสกุลศักดิ์แต่ว่าเท่านั้นพอก้าวเข้ามาสู่ความเป็นลูกศิษย์ตาคจนแล้วมีแต่ตั้งหน้าสู้โดยท่ายเดียวอเป็นก็เป็นตายก็ตายไม่หมายปา่าช้าล้มลงที่ไหนเป็นป่าช้าที่ไหนก่อนที่จะลม้มลงไปเป็นปา่าช้าเขาให้ได้ชัยชนะในสงครามระหว่างกิเลศกับธรรมแค่ก่อนได้เป็นผู้ครองมหาสมบัติภายในจิตใจนี่เป็นสิ่งที่พึงหวังอย่างยิ่งของพระสาวกเพราะฉะนั้น จึงได้เป็นสังขังสังกระฉามีของพวกเราด้วยความสู้เพื่อเอาชัยชนะอย่างไม่หมายป่าช้านี่ทางนี่คือทางเดินเพื่อชัยชนะของผู้จะไม่มาเกาะพบก่อชาิก่อความทุกข์ความทรมานแต่ตนต่อไปให้ยืดยาวนา ต้องเป็นผู้เห็นภัยต้องเป็นผู้มีสติสตังระ ม, มัดระวังรักษาจิตใจของตนเสมออย่าให้สิ่งที่มัวหมองเข้ามาเกี่ยวข้องผัวพันอันเป็นของไม่ดีมาแต่ไหนแต่ไรเราก็พอทราบแล้วอย่าประจับใจการแก้กจิตใจให้หลุดพ้นไปโดยลระดับนั้นคือการสร้างคุณสมบัติของใจขึ้นให้เด่นภ า, ายในจิตใจของตน จนกระทั่งเด่นขึ้นอย่างเต็มที่สิ่งใดที่เป็นสมมุติซึ่งเคยซึมราบอยู่ภายจิตใจก็เป็นอันว่าหมดไปเ<ม>หลือแต่ความบริรสุทธิ์ล้วนวนี่แลคือชัยชนะอย่างเต็มที่ในศาสนาตถาคตของเราก็เป็นผู้ได้รับชัยชนะมาแล้ว สาวกอรหัตรหารทั้งหลายได้ชนะมาแล้วด้วยวิธีการอันใดวิธีการอันนั้นก็เลยมาสอนพวกเราให้ได้อ่านได้ได้ยินได้ฟังได้ปฏิบัติตามอยู่ขนาดนี้ซึ่งเป็นแนวทางที่ถูกต้องตามหลักศาสน า, า, าและสาวกท่านอนื่นๆอยู่แล้วทำไมจะแก้กิเลสไม่ได้ก็มีอยู่ อย่างหนึ่งที่แบบให้หนูนกำลังเข้าไปเรื่อยๆส่วนที่แก้ได้แล้วเราก็ทราบชัดๆที่ยังไม่ได้ก็จะต้องได้ด้วยวิธีการที่เราเคยแก้มานี้ไม่มีวิธีการอื่นใดที่จะแก้กิเลสได้นอกจากวิธีการที่เคยดำเนินมานี้ซึ่งเป็นวิธีการที่ถูกต้องแล้วนี้เท่านั้นแต่แก้กิเลสได้ตั้งแต่ต้นจนอวสานไม่มีกิเลสเหลืออยู่ภายในใจเลย แต่ น, นิพานนั้นกลางวานอยู่ภายในความรู้ของเราทุกๆรูปทุกๆนามแทรกซ้อนอยู่กับกิเลสท่า น, นเองไม่อยู่ที่ไหนเป็นแต่เพียงว่ากิเลสมันออกหน้าต่อไปกิเลสก็ล้าหลังถ้าสติปัญญาถ่านล้าหลังแล้วก็สลายที่ถายมารวงกันหมดป่าเถื่อนกิเลส คือที่ไหนที่เผาศพของกิเลสคืออะไรเครื่องเผาเสร็จศพของกิเลสคืออะไรก็คือปัญญาสติปัญญาศรัทธาความเพียรปราช่างกิเลสที่ไหนกิเลสมันเกิดอยู่ที่ไหนปราช่างมันก็อยู่ที่นั่นเอยู่ที่ใจเผากันที่ใจนั่นเนี่ยคิดหายไปที่ใจคิดหายเพระด้วยปัญญาตัปะธรรมเนียบแปล ว, ว่าไฟเผากิเลสตัปปะคือความรุ่มร้อนรุ่มร้อนกิเลส เขาเกิดเจนรุ่มรุ่มร้อนจนตายไปดูที่ใจเนี่ยที่ว่าพระนิพพานนั้นกลา ง, งวานอยู่ภายในจิตใจของเราทุกคนเป็นแต่เพียงว่ายังไม่ได้เปิดความกลางวานนั้นสิ่งที่ปกปิดกํบาบังความกลังวานนั้นออกอย่างเต็มที่เต็มฐานเท้านั้นความกลังวานจึงแสดงตัวออกมาไม่ได้ความกลังวาน ของจิตที่บริสุทธิ์ซึ่งเรียกว่าสาวปอุปาทิเสสันผิผานนี้กลางวันทั่วแดนโล ก, กทาหาที่กําหนดกดเกณยนหาขอบเขตบริเวณไม่ได้เพราะไม่มีสมมุติอะไรที่จะมากีดกัน้นธรรมชาติอันนี้ท่านจึงเรียกว่าธรรมเหนือโลกเหนือขอบเหนือเขตของสมมตินิยมใดๆทั้งสิ้นคือใจที่บริสุทธิ์นี่แหละ จากนั้นก็กลายเป็นธรรมที่บริสุทธิ์ขึ้นมาพูดมาทำบริสุทธิ์ก็ได้ใจที่บริสุทธิ์ก็ถูกไม่มีอะไรแย้งกันสิ่งที่มาแย่งก็ได้แก่สมมุติและแก่กิเลสเท่านั้นที่จะมาแย่งมาเกิดรบหรือมาเกิดฆ่าสึกกันเมื่อฆ่าสึกหมดแล้วก็ ม, มีอะไรแย้งแต่ว่าอะไรก็ว่าได้ไม่ว่าก็ไม่เป็นปัญหาอยูอย่างอิสระอย่างสบายๆไม่มีอ่งปัญหนะ นี่แหะท่านเรียกมหาสมบัติอภิภัณสมบัติกับมหาสมบัติก็อันเดียวกันพยายามขุดค้นขึ้นมาให้ได้มีอยู่กับธรรมชาติที่รู้ด้วยกันทุกคนสิ่งที่ปกปิดกำบังนี้เป็นสิ่งที่แก้ไขได้ด้วยความภาพเปลี่ยนตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้ถึงการนั่งนิพนธพิจารณ า, าแล้วฟิกตัวก็เดินแบบสิ่งที่เรามุ่งหวังมาเป็นเวลานานจะปรากฏขึ้นในจุด แห่งความรู้นี้แห่งเดียวเท่านั้นไม่มีที่อื่นใดเป็นที่แสดงออกทงความพึงใจจึงขอยิจิการแสดงเพียงเท่านี้